บัรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการเจริญกรรมฐานข้อจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงสุดท้ายนั้นทรงสอนให้บุคคลตามดูจิตทั้งที่เป็นภายในและจิตที่เป็นภายนอก การดูจิตที่เป็นภายในนั้นในส่วนที่ยาบสุดหมายถึงการดูจิตของตนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางกุศลบ้งางอกุศลบ้า ง, แ ล, ลงและกลางๆบ้างในขณะเดียวกันก็มองดูจิตของบุคคลอื่นแต่ว่าจิตของบุคคลอื่นก็มองดูได้ยากเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมดะนั้นอาจจะสังเกตกาหนด จากการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นวิเคราะห์ตรวจสอบลงไปถึงส่วนลึกของจิตใจว่าแอาการกริยาที่แสดงออกเช่นนั้นเป็นการสะท้อนมาจากจิตซึ่งเป็นอย่างไรบ้างคนนี้เพิ่งเห็นได้ว่าหลักการสวจสอบในแนวนี้เป็นปฏิปทาเริ่มต้นในพระพุทธศาสนา ในกรณีที่พระโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็สงมองเห็นถึงความทุกข์ที่ปรากฏในสังสารวัฏแม้แต่พระองค์และบเบญชนของพระองค์ก็ไม่รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปได้เระ่อทรแสวงหาทางการที่ทรงเห็นสมณะที่เรียกว่าเทวทูตที่4ซึ่งมีลักษณะอาการกริยาที่ปรากฏ ต่อสายพันเนกของพระองค์เป็นผู้มีความสงบส ง, งียมเรียบร้อยก็มองย้อนจากอาการที่ปรากฏนั่นเองข้าไปสู่จิตของเทวทูต ท, ที่สีนั้นก็ทรงเห็นว่าปฏิปทาที่สมณะเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ตั้งแห่งความสงบระงับทางจิตใจ อยู่ในวิสัยที่จะทำให้โปร่งหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏได้คือแม้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จพุทธดาเนินไปเพื่อปลดทัณจ์เจ้าคีที่ศิปัฒนะมริกขายวันท่านอุปกาชีวกไม่ได้รู้พระทัยของพระพุทธเจ้าว่าพระทัยเป็นอย่างไรแต่ท่านก็สังเกตจากอินทรียบุตรที่ก้าวไปของพระพุทธเจ้า ผประกาชีวกก็มองย้อนกลับเข้าไปสู่ประไทยของพระพุทธองค์ก็ปรงใจสนิทฐานว่าท่านผู้นี้จะต้องเป็นพระหันรูปใหรูปหนึ่งในโลกเพราะอินทรีย์ของท่านพองใสคุยาการที่แสดงสร้างความประทับใจสร้างความดืมใสายให้เกิดขึ้นจึงเข้าไปกราบทูลถาม ล, ลักษณะเช่นนี้มีเรื่อยไป ในกรณีที่ภาษาริบุตรเทระตอนเป็นอุปติสะปริภายชกไปพบเห็นการเดินบินตบาทของพระสัสจิเทระที่มีการก้าวไปถอยกลับคู่แขนเหยียดแขนอย่างสวยงามระเบนละไม่ก็เกิดความประทับใจอุปติสสะปริภาชกอาศัยการข้างนอกของพระสัจจิเทระและมองกลับเข้าไปสู่ภายใน คือจิตใจของท่านแล้วก็ปรองใจด้วยความเชื่อปันว่าท่านผู้นี้จะต้องเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกจะมีการกล่าวถึงมีการพูดถึงว่าพระอรหันต์มีอยู่ในโลกท่านผู้นี้จะต้องเป็นองค์หนึ่งในพระอรหันต์เหล่านั้นความศรัทธาเลื่อมใสเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ประสบพบเห็นท่านนั่นเองนี้ก็คืออาการที่ เกิดขึ้นจากการตรวจดูจิตของบุคคลอื่นโดยสังเกตที่กิริย า, าการซึ่งบุคคลนั้นแสดงออกมาว่ามีธรรมเป็นเครื่องสงบภายในหรือไม่หรือไม่มีธรรมเป็นเครื่องสงบในภายในแม้การที่บุคคลแสดงอาการกิริยาเกรียวกลาดรุนแรงไปตามหน้าของความโลภความโกรธหรือแม้แต่ความหลงก็ตาม ก็เป็นการดูจิตของบุคคลภายนอกการกำหนดพินิจพิญารณาเช่นนี้อาจจะใช้ได้หลายระดับด้วยกันระดับที่หยาบสุดกันบุคคลได้บทเรียนแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นจากจิตซึ่งประกอบด้วยกุศลและอกุศลที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกในทางที่เป็นโทษและเป็นคุณ สแสดงผลออกมาเป็นความสุขความทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับบุคคลเราอื่นว่าถ้าจิตใจของตนประกอบด้วยกุศลสแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นกุศลผลก็จะเป็นความสุขเช่นเดียวกันและในทํานองตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้จิตถูกครอบงําด้วยอกุศลสแสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาด้วยอํานาจของกุศลผลจะออกมาเป็นความทุกข์เช่นเดียวกัน ในชั้นนี้ก็จะก่อให้เกิดการสํารวมระวังขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นอย่างน้อยที่สุดก็ป้องกันกระแสของอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงอันเป็นสายกินเลสประเภทโลกโกดลงไม่เกิดขึ้นกรุ่มุมจิตใจของตัวเองมากเกินไปการปฏิบัติในชั้นศีระสังวรและอินทรีย์สังวรของบุคคลเหล่านั้น ก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นในชั้นต่อไปนั้นดูจิตที่เป็นภายในและจิตที่เป็นภายนอกซึ่งมีปรากฏอยู่ภายในจิตของตัวเองจิตภายในก็คือจิตที่ปรากฏในขณะนั้นๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นคู่คมี16จิตด้วยกันแล้วก็เป็น8คู่ ในจิต ท, ทั้ง8คู่นั้นสรุปแล้วก็เป็นกุศลก็เป็นอกุศลเมื่อจิต ท, ที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นภายในจิตของตนในขณะนั้นจะมีความรับร้อนความรุนแรงความซัดสายบังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลดูจิตในขณะนั้นก็น้อมไปดูจิตอย่างอื่นที่เป็นอกุศลพวกเดียวกัน เราจะมองเห็นอกุศลเหล่านั้นว่ามีลักษณะแผดเผาก่อให้เกิดความ ร, าร้อนทํานองเดียวกันแต่จะร้อนในลนักษณะใดก็เป็นเรื่องของความร้อนทั้งหมดก็ทำให้บุคคลมองเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงความไม่สงบความฟุ้งซ่านความไม่หลุดพ้นหรือจิตที่ยังไม่เข้าถึงความสงบว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทษผลก็คือ จะมีความระมัดระวังไห้จิตเหล่านั้นเกิดขึ้นครอบงาใจตัวเองมากเกินไปในขณะที่จิตประกอบด้วยกุศลธรรมยังได้ย่างเหนกมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบุคคลจะสัมผัสความอึบอิ่มความสุขความสงบความจเจิเจดอาการร้อนร้อนสั้สายฟุ้งสั้น ไม่ไม่มีความสงบนั้นได้เคลื่อแท่งไปจากจิตใจอย่างน้อยก็ในขณะนั้นนี่ถือว่าเป็นจิตภายในขณะนั้นนั้นได้บุคคลก็มองกลับไปหากุศุลธรรมกลุ่มอื่นเช่นว่าจิตที่หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสในบางขณะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่หดหู่ซึ่งเป็นกลุ่มของคุศลธรรมเช่นเดียวกับความไม่โลภไม่เกิดไม่ตก ก็จะเห็นเป็นความสงบเย็นความอึบอิ่มความปีติปรามโมชซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเหล่านั้นเช่นเดียวกันจันทอา usaha ที่จะเสริมสร้างจิตเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นภายในใจของตนก็จะมากขึ้นธรรมะคืออิทธิบาทก็จะเดินไปในเส้นทางหลับนั้นเมื่อมีความพอใจในกุศล ควมเพียนพยายามเสริมสร้างกุศลจิตใจจดจอดในกุศลด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลที่จะเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นก็จะจิตตาบ ม, มาธรรมะก็จะเกิดขึ้นคุ้มครองจิตใจบุคคลนั้นการมองจิตในสองลักษณะเหล่านี้ก็มีความละเมิดละไมลงไปโดยลำดับแต่อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มพูดถึง เรื่องของกิจกานอุปัสนาและเรื่องมาสติประฐา น, นสูตรว่าพระพุทเจ้าทรงสแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อฟอกอัตยาสัยของบุคคลที่มีตัณหาจริตจะแรงกล้าบ้างจะอ่อนบ้างมีปัญญาแหลมคมบ้างมีปัญญาน้อยบ้าง ซึ่งบุคคลประเภทนี้มักคิดติดในส่วนที่เป็นรูปธรรมและในส่วนของสุขเวทนามีการกําหนดหมายจนกลายเป็นความลุ่มหลงเข้าใจว่ากายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงเวทนาเป็นของเที่ยงแท้แน่นอ น, ไ ม, นไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนพยายามเสริมสร้างสุขเวทนาให้บังเกิดขึ้นซึ่งก็ทรงสอนโดยทํานองเดียวกัน นแนก่กการให้ตั้งสติระลึกอยู่โดยลำดับจนจิตใจสงหบเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นจนมองเห็นว่าแท้จริงแล้วกายเวทานานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาในส่วนจิตานุปัสสนากับธรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นทรงแสดงเพื่อมุ่งฟอกจริตอัธยาศัยของบุคคลที่มากไปด้วยจิตจริตจะมีความเห็นที่ปักใจปร่งใจ มีความยึดมั่นถือมั่นในจิตและในธรรมบ้างเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวยืนรงเป็นตัวเดินทางจากพบสู่พบเป็นตัวที่มาจากส่วนใหญ่แล้วจะกลับไปหาหาหาส่วนใหญ่อีกในโอกาสต่อไปคือมองเห็นว่าจิตเป็นสภาพเที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นการทาใจของตนให้สงบเพื่อดูจิตในแต่ละขณะ จิตที่มีความสงบนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนบางทีก็เป็นราคะบางทีก็เป็นโสนทสะบางทีก็เป็นโมหะวิ่งไปตลอดสายของอกุศลบางทีก็วิ่งกลับไปกลับมาเป็นราคะเป็นปราศจากราคะเป็นโทสะปราศจากโทสะเป็นโมหะปราศจากโมหะบางทีก็วิ่งมาตลอดสายของกุศลนี่ก็คืออาการของจิต ดูไปส่วนหนึ่งแล้วเกิดความสงบงเป็นขั้นตอนของสมถกรรมฐานแต่ต่อไปจะได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูความเกิดขึ้นของจิตในแต่ละลักษณะคือจิตที่ประกอบวยราคะจิตที่ประกอบ้วปโทสะจิตที่ประกอบ้วยโมหะหรือปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะว่าแท้จริงแล้วจิตเหล่านั้น อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นและตัวจิตเองก็มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อาจจะดูที่จิตซึ่งถูกปรุงด้วยกุศลเรื่อกุศ ล, ลข้อใดข้อหนึ่งเช่นดูที่ราคาก็จะเห็นว่าในตัวราคะนั้นจะก็มีความเปลี่ยนแปลงของแก่ขึ้นสูงบ้างทรงอยู่บ้างเสื่อมสลายไปบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้าง ไอ้ที่เปลี่ยนไปนั้นเปลี่ยนเป็นกุศลบ้างเปลี่ยนเป็นกุศลบ้างเปลี่ยนเป็นกางกลางบ้างแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานบ้างตั้งอยู่ได้น้อยบ้างมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดอยู่กับที่เป็นกระแสของความเลื่อนเลื่อนหลของจิตก็จะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วจิตมีความเสื่อมและความสิ้นไปอยู่ตลอด การเกิดสืบเนื่องกันของจิตนั้นเป็นเพราะมีสันติคือมีเหตุปัจจัยให้เกิดสืบเนื่องกันได้จิตก็เกิดสืบเนื่องกันมาโดยลำดับทำนองเดียวกับกระแสน้ำในแม่น้ำที่ไหลสืบต่อกันมาได้เป็นเวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีแต่จริงแล้วก็เป็นคนละน้ำกันแต่เป็นการไหลต่อเนื่องกันถ้าย่อยกันมาหรือ ท, ทำนองเดียวกับคลื่นในมาสมุทร ตั้งตัวขึ้นเป็นคลื่นซั์กระทบฝั่งแล้วก็หายไปคลื่นลูกไม้ก็ตั้งขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ทยอยปีกันไปกระทบฝั่งอยู่ตลอดชั่วนาตาปีจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในที่สุดก็มองเห็นทั้งจุดเกิดขึ้นแล้วก็จุดดับไปก็ตามปกติแล้วก็มองเป็น3มช่วงือช่วงเกิดขึ้น ช่วงตั้งอยู่แลช่วงดับไปเตมเมื่อมองไปมองมาแล้วแท้ที่จริงในที่ตั้งอยู่นั้นมันก็ดับเป็นความดับซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็มองเห็นเฉพาะความเกิดขึ้นกับความดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดระยะเวลาจะเป็นอาการเกิดดับในทำนองต่อเนื่องดังกล่าวแล้วเอดูไปดูมาก็เห็นเฉพาะความดับเท่านั้นเอง เหมือนกับน้ําที่ตกลงมาจากหน้าผามีแต่ตกก็ตกอยู่เรื่อยไปใจของบุคคลที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นจะไม่กลับพ้นคือมาจะไม่กลับสู่สภาพเดิมอีกต่อไปแก่ก็เปลี่ยนของแกไปอย่างนั้นเรื่อยๆในที่สุดเมื่อได้ตั้งจิตกําหนดระลึกดูอยู่เช่นนี้ ในชั้นของความสงบก็เป็นสมถกรรมฐ า, าน <Okay. S 1> เดินไปสู่ความสงบเป็นฌานไปคือข้าวหลักของสม า, สมาธิแต่พะชั้นของการพินิษ์พิจารณาโดยในยะนี้บุคคลก็จะเข้าใจถึงความจริงแห่งจิตว่าแท้จริงแล้วจิตนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ตาม แกก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นมีทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือเชื้อของราคะเป็นตนที่มีอยู่ก่อนแล้วภายนอกประกอบด้วยรูปเสียงกินรสผลิตภัพฑะธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในกรณีของการเกิดรู ป, ป ร, ราคะคือความกำหนัดในรูปธรรมถ้าได้เก็บ ความสวยความงามความพอใจในรูปนั้นเอาไว้ก่อนแล้วนอนอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ยินไม่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมงกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องปุตตะพรก็ตาแต่ความตึกนึกความเหนียวนึกด้วยอํานาจของกรรมสัญญาการมราคะก็เกิดขึ้นได้ก็แสดงว่ามีปัจจัยสํารับปรุงมีวัตถุ ด, ดิบสําหรับปรุงอยู่แล้วจิตก็ไปเหนียวนึกขึ้นมาปรุงเอาความกาําหนัดความรักใคร่ ย, ยินดีเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้น แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นมาทางประสาทสัมผัสเช่นว่าตาไปเกิดเห็นรูปขึ้นมีแสงสว่างอยู่ในวิสัยที่จะเห็นรูปนั้นได้ใจใจของบุคคลก็ไปกำหนดหมายว่ารูปนั้นน่าใคลาน่าปรารถนาหน้าพอใจแกก็มาบอกกระชือบวกบวกระเชื้อภายในที่มีอยู่ก่อนแล้วก็นำมาเหนี่ยวดึกนำาตรึกนึกดูความกําหนัดรักษา ย, ยินดี บางครั้งบางคราวตาเองก็ดูไปเรื่อยแล้วก็มาปรุงข้างในอยู่เรื่อยเหมือนก็ไฟที่ได้เชื้อก็ลุกลามไหม้ขึ้นไปโดยดําดับความวร้อนภายในจิตที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของกุศลเหล่านี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นก็เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยแต่แกก็ดํารงอยู่ตามลักษณะของสังขารคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแลโอกาสหนึ่งก็จะดับไป ใจก็จะไปกําหนดอารมณ์เราอื่นอีกเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่กระดับไปจากนั้นความรู้สึกนึกคิดที่เคยมีอยู่ว่าเราเป็นจิตจิตเป็นเราเรามีในจิตจิตมีในเราแล้วก็มีการสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่เคยกําหนดหมายไว้ก็จะผ่อนคลายลงแต่ในขนาดเดียวกันบุคคลก็ไม่ได้ปฏิเสธความมีอยู่ของจิต ก็คงยอมรับความมีอยู่ของจิตนั่นเองและยอมรับแต่แง่ที่เป็นสังคต ธ, ธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งตราบใดยังมีเหตุยังมีปัจจัยที่ปรุงแต่งอยู่จิตก็ยังมีอยู่ตราบนั้นเป็นอาการเกิดตับที่สืบเนื่องกันไปแต่ความรู้สึกในส่วนที่เป็นปัญญาซึ่งรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงสภาพของจิต ก็จะมีการยอมรับจิตว่าไม่ได้เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นแต่เปกก็แต่ก็เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการเรียนรู้ของบุคคลทั้งหลายจิตใจของบุคคลก็จะปล่อยวางความยึดติดที่มีอยู่ก่อนและตอ่อแต่นั้น อาศัยปัญญาเป็นเครื่องกําหนดพิจิตพิจารณาเพื่อเชื่อมโยงเข้าไปหาในส่วนอื่นๆก็ตามปกติแล้วจะเห็นว่าบุคคลเมื่อผิดหวังในจุดหนึ่งก็จะไขว่คว้าอีกจุดหนึ่งผิดหวังอีกจุดหนึ่งก็จะไขว่คว้าอีกจุดหนึ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นว่าจะเป็นการไปไหนมาไหนการทํางานหรือการประกอบธุรกิจอะไรก็ตามจิตมันจะลั่นก็จะไขว่คว้าอยู่ด้วยไป แต่เพระปัญญาบางเกิดขึ้นไดมากำหนดพินิษพิจาจรณาจะเน้นความจริงว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาปัญญาก็จะเกิดขึ้นไปตัดหน้าความคิดในลักษณะเนี่ยวเนยวเหนีย ว, น, ยวนึกน้อมนึกอมองเห็นจิตทั้งหลายทั้งที่เป็นอาดีตคือดีตการที่หนันไกลทั้งที่เป็นอนาคตคือยังไม่เกิดขึ้นมา ในขณะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆคือในขณะปัจจุบันจิตที่หยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปณีตก็ดีจิตที่อยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีจิตก็คือจิตที่เป็นสังขารแต่สังขารแต่ทำคือทำที่ปัจจัยปรุงแต่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งภายในภายนอกอยู่ตลอด องประกอบเราได้เราหนึ่งเกิดเสื่อมไปจิตในขณะนั้นคือการรู้การทำงานของจิตในสายนั้นก็จะดับตามไปด้วยเช่นบุคคลที่ตาบอดไม่สามารถเห็นรูปด้ตาได้จิตซึ่ทำหน้าที่รูปโดยอาศัยตาเป็นสื่อเป็นพาหะก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้ไม่ได้ปัะรัยประเหตุปัจจัยในสายนั้นได้ดับลงไป เมื่อมองเห็นจิตเป็นกระบวนการเช่นนี้ก็รู้ว่าจิตนั้นก็สักแต่ว่าจิตแต่นั้นเองไม่เป็นทั้งของเราด้วยจะไม่เป็นทั้งเราด้วยไม่เป็นตัวตนของเราด้วยในชั้นของสมมติสัจจะก็ยังคงปฏิบัติคล้อยตามเขาเรียกว่าโลกาลหนุวัดคือคล้อยตามโลกอยู่ จะได้ขณะเดียวกันจิตใจของท่านก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นจากความรู้เข็นทึ้งความจริงในลักษณะนี้ได้ถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดจิตในจิตของตัวเองลงไปและเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในจิตและในสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับจิตที่เกี่ยวเนื่องกับจิต ทุกลักษณะของอารมณ์ร็คลายกำหนัดมากข้าวจิตใจก็หลุดพ้นจากพันธนาการที่เกิดกำหนัดขัดเคืองร่มหนุงเมเมาอยู่ในจิตยา น, นคือความรู้ก็จะเกิดผุดขึ้นภายในจิตเป็นยา น, นความรู้ที่ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติหลุดพ้น จากความยึดติดเรื่มหน้าตันหาว่าเป็นของเราเรื่มนาจมานะว่าเป็นเราเรื่มหน้าทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในจิตและแม้ในกายเวทนาเป็นตนนั่นก็คือจุดปุ้งหมายในการประพฤติปฏิบัติจะเป็นขั้นสูงสุดแต่แน่นอนในชั้นหนึ่งนั้นการจเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานย่อมสามารถ เสริมสร้างคุณธรรมเหล่าอื่นให้มีกําลังมากขึ้นภายในจิตใจข้งตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บุคคลสามารถระลึกรู้ทันของทันกระบวนการของจิตหรือความเกิดดับของจิตสติสมัมมาจัญญาที่เป็นไปในจิตก็จะเกิดขึ้นมีกําลังแรงความเพียรพยายามของบุคคลก็จะเป็นปฏิ ต, ติตร์ซึ่งเป็นพลังที่ มีสมรรถนะสูงพร้อมที่จะนำไปใช้ในกรณีอื่นๆในชีวิตประจำวันของตนได้และประการที่สำคัญคือในชั้นของศีลธรรมจัรยาบุคคลส า, สามารถหาบทเรียนจากการกระทาของบุคคลอื่นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเพราะพฤติกรรมเหล่านั้นวนแล้วแต่สะท้อนออกมาจากจิตทั้งนั้น กุศลการมากุศลกรมลกรมต่างๆที่บุคคลประกอบกระทำเกิดขึ้นในเจตนาความจงใจภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นกุศลเป็นเหตุที่ควรชื่นชมยินดีก็ถือเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือชั้นสินธรรมจรยาอย่างท่านแสดงไว้ในวีตุรชาดกว่าให้เดินไปตามผลทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้ว หมาหความว่าความดีงามต่างๆที่บุคคลประกอบกระทํานั้นเกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนาที่ปรุงจิตของบุคคลให้พูดได้คิดได้ทําไปตามแรงผลักดันของกุศลเหล่านั้นเมื่อบุคคลอื่นจะน้อมนํามาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็จะอำนวยประโยชน์และความสุขเกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้นตามทุควรแก่สัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติ แต่ในกรณีที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเหล่าอื่นบุคคลก็อาจจะเรียนรู้ถึงความจริงที่เป็นต้นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นประสบผลเช่นนั้นว่าเกิดขึ้นจากกิติ่ตั้งไว้ผิดแล้วก็พยายามสัมรวมระวัง ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดในลักษณะ น, นั้นครอบงำจิตของตนจนถึงกาแสดงออกมาทางกายทางวา จ, จาเป็นโทษทุจริตซึ่งมีความกเป็นผลได้ในชังของการทำความสงบดูจิตจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นความฟุ้งซ่านความสายไปความเชี่ยวไปของจิตก็จะยุติลงหรืออย่างน้อยก็น้อยลง ทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสามารถส ง, งบใจของตนจากอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อความส ง, งบต่างๆได้ในขณะเดียวกันเมื่อเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในชีวิตของบุคคลแล้ว พอะสมกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่เราเองแก่สิ่งของแกญาติพี่น้องแก่ทรัพย์สมบัติแก่โรคแกชาติบ้านเมืองก็ตามในส่วนหนึ่งก็จะปรองใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปธรรมดามีความแตกตับไปเป็นธรรมดาก็ได้แปรแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วแตกกลับไปแล้ว นับประสาอะไรกับวัตถุที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่จิตซึ่งมีพลานุภาพมากมีกำลังมากก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้การปฏิบัติกรรมฐานนั้นไม่เด็ดเน้นเฉพาะที่เจริงให้บรรลุผลนิพพานเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วในชีวิตประจําวันของบุคคล น, นี้เองสามารถใช้หลักของสมถกรรมฐาน หลักของวิปัสสนากรรมาฐานแก้ปัญหาในชีวิตของตนได้ในระดับหนึ่งประการที่สำคัญก็คือต้องมีสติสมัช ญ, ญ์ะลึกรู้ต่อเรื่องราวเหล่านั้นแดยใช้ความเพียรพยายามระ ง, งับจับยังบันเทาดับที่ลงมือประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นตามสงควรแก่กรณีของกุศลเรือกุศลที่ปรากฏในขณะนั้น เพื่อทำได้เช่นนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองอารกขาจากธรรมะนำความสุขความสงบความเยือกเย็นมาให้แก่ บ, บุคคลตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป